พุทธนักธรรมเอกมวลที่เก้าเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จะได้ว่าบทเรียนประถมผสมโพธิกถาในปริเชตที่สิบหกต่อไปในครั้งที่แล้วนั้นได้ว่าค้างอยู่ในบริเชตที่สิบหก ว่าด้วยตอนที่พระเจ้าพิมีสารได้กราบรัตนาพระพุทธองค์นั้นมาสเสวยพระกยาหารพร้อมด้วยภิกษุสงประมาณหนึ่งพันกับสามรูปที่ในพระราชนิเวศเมื่อพระองค์ทรงเสร็จพุทธกิจพร้อมด้วยพระสงฆ์ภิสุสงแล้ว พระเจ้าพิมพิสารนั่นก็ได้จับพระเต้าทองทรงหลังสุคนวาลีให้ตกต้องพระหัตของพระบรมศาสดาถวายพระเวรุวันวายเวรุวันอุทธาชอุทยานแก่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพิสุสง์เพื่อให้เป็นที่ประทับอยู่กนับเดวา่าเวรุวันมหาวิหารนี่แหละเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงรับไว้เพราะฉะนั้นในการก่อนนั้นพิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็อยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำหรืที่มุงบงังไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเหมือนกันในครั้งนี้ครั้งนี้พิสุสงฆ์ก็อยู่รวมกันเรียกบอกเป็นวัดวัดแรกหรือว่าอยู่ในอารามเดียวกันพระเวฬวันมหาวิหารแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งสถานที่นี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งนั่นพระเจ้าพิมิสารได้อมอบให้แก่นักบวชภายนอกได้อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นเป็นที่สำหรับเลี้ยงนกยูงหรือว่าให้เหยืยกับ น, นกยูงที่เรียกว่าโมละนิวาปักแต่ในส่วนที่ถวายเป็นพระอาราม ในพระพุทธศาสนานี้เป็นส่วนที่ให้เหยื่อกแต่ที่เรียกว่ากรันธกกนิวาเปวัดนี้จึงนับได้ว่าเป็นวัดแรกองค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อม ด, ด้วยภิกษุสงฆ์ก็เสด็จจำอยู่ประจำณสถานที่นั้นคือพระเวรวนมหาวิหารไม่ห่างจากกรุงราชคลึไปนักประมาณ สิบแปดหอสิบสองไมล์หรือหรือสิบสองกิโลหรือแปดไมลก็มีบ้านตำบลหนึ่งชื่อว่าตำบล น, นาราันทาที่ตำบล น, นารันทานั้นมีหมู่บ้านพราหมบ้านหนึ่งชื่อเรียกว่าอุปติสขามนายบ้านก็ชื่อวังคันตะส่วนพัญญาก็เป็นก็ชื่อสาลีนางสาลี ทั้งคู่นี้ก็เป็นตระกูลของพรามสามีพัรยาคู่นี้ก็มีบุตรซึ่งปรากฏชื่อคนหนึ่งว่าอุปติสัมมนก ค, คือชื่อตามหมู่บ้านว่าอุปติสัมมนกและที่ไม่ห่างกันจากหมู่บ้านนี้ก็มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าโกริตาหามในบ้านนั้นมีพัรยาชื่อว่าโมคคี มีบุตรออกมาก็ชื่อว่าโกลิตะมานุปอุปติสะามานุและโกลิตะมานุทั้งสองนี้ได้เป็นสหายซึ่งกันและกันท่านกล่าวว่าตระกูลทั้งสองนี้ได้เป็นสหายได้เป็นสหายกันมาแล้วเจ็ดชั่วคน คือได้เป็นสหายตระกูลทั้งสองนี้เป็นสหายเป็นมิตรสหายที่ชอบกันและต่างคนก็ต่างไปในบ้านจากบรรพบุรุษมาแล้วเป็นจำนวนถึงเจ็ดชั่วคนเพราะฉะนั้นมานพทั้งสองนี้ก็จึงได้เป็นสหายสืบต่อกันมาอีกเพราะตระกูลทั้งสองตระกูลนี้เป็นตระกูลที่เป็นมิตรเป็นสหายกันมานพทั้งคู่นี้ก็ปรากฏว่าเป็นสาชา ค, คือเกิดในวันเดียวกัน เมื่อจเจริญวัยวัฒนาแล้วก็จึงได้เรียนจนรู้จักในศิลปาศาสตร์ตามลทัทธิของพราหมณ์และศิลปาศาสตร์ต่างๆนั้นจนจบการศึกษาเช่นเดียวกันตระกูลทั้งสองตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มั่งคัง่งเป็นตระกูลที่มั่งคัง่งเพราะฉะนั้นมานพน้อยทั้งสองนี้มีบริวารคนละประมาณห้าร้อยคนซึ่งเป็นบริวาร อุปติสมานพนั้นเวลาจะไปไหนก็นั่งเสลียงไปพร้อมด้วยบริวารอีกห้าร้อยส่วนกอริตะมานพนั้นเวลาไปไหนก็นั่งรถเทีย ม, มาพร้อมด้วยบริวารอีกห้าร้อยสหายทั้งสองนี้รักใคร่ชอบพอกันมากเมื่อจะไปในที่สถานที่ใดก็ตามก็ไปด้วยกันไปดูกัะเล่นก็ไปด้วยกันไปชมศิลปะต่างๆก็ไปด้วยกัน ก็ให้รางวัลในสถานที่หรือว่าในเหตุการณ์ที่ควรให้ย่อมจะเกิดสังเวทในการที่ผู้แสดงนั้นทำให้เกิดสังเวทมีความคิดเห็นรุ่มรวมกันในการครั้งหนึ่งนั้นได้ไปดูมหรสพที่กรุงราชคลึซึ่งเป็นมรรสศพมีมรรสศพใหญ่ประจําคือคิรักขะสมัชชังชื่อว่าคีรักขสมัชชัง คือมรดกพที่แสดงกันตั้งแต่บนยอดภูเขาลงมานั้นมรสกพนี้เป็นประเพณีประจำของกรุงราชคลึกสามปีมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมีประมาณหนึ่งเดือนหรือเมื่อเธอเป็นที่สนใจกับประชาชนทั่วไปก็จะอาจจะต่อได้อีกมานบทั้งสองนี้พร้อมด้วยบริวารก็ได้ไปดูมรสพที่เรียกว่ากิรสมักชังที่กรุงราชคฤ แต่ในการไปดูครั้งนั้นไม่ได้เกิดความยินดีเหมือนก่อนๆไม่ได้เกิดความรื่นเริงในการดูมรรสผลเหมือกนก่อนเลยก็เพราะเหตุที่ญาณบารมีได้แก่กล้าขึ้น จ, จิงดำริเหมือนกันว่าไม่มีประโยชน์อันใดในการดูมรรสพนี้อายุของคนเหล่านั้นไม่ถึงร้อยปีก็แตกสลายหาบัญญัติมิได้ควรที่เราจะแสวงหาโมกธรรมดีกว่า เสรแล้วเมื่อหันหน้าเข้าปรึกษากันก็จึงได้มีจิตใจที่เสมอกันก็ดำลิกกันโดยกันต่อไปว่าเราควรที่จะแสวงหาโมระธรรมจรึงได้ชักชวนบริวารซึ่งบริวารรวมกันทั้งหมดนะมีประมาณพันคนคือคนละห้าร้อยชักชวนบริวาร น, นั้นก็ได้เพียงตึ่งเดียวท่านั้นคือห้าร้อยคนประมาณห้าร้อยคนก็จึงได้บวชในสำนักของอาจารย์สนชัยปริภาชก ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ในะกรุงรนาะชคลีนเองซึ่งอาจารย์สัญชัยปริพาโชคุลีเป็นครูที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นเจ้าระทิที่มีชื่อเสียงในบรรดาหกท่านด้วยกันอหกท่านเดียกันนั่นเป็นอาจารย์อท่านหนึ่งในบรรดาที่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงเจ้าละทิทต่างๆอุปติสสะ กอริตะมานพทั้งคู่นี้ก็จึงได้สมัครใจที่จะบวชเป็นปริยภาชกอยู่ในคณะของอาจารย์สัญชัยกรุงรัชชกลิ่นเองเมื่อบวชแล้วไม่นานนะักก็จึงได้เรียนจนกระทั่งจบละทับของท่านอาจารย์สนญชัยก็จึงได้กล่าวถามอาจารย์สนญชัยว่าความรู้ที่ยิ่งยิ่งไปกว่านี้ยังมีอีกไหมอาจารย์สนญชัย ปลิพาชก็จึงได้กระไ ด, ได้ได้บอกเล่าว่าไม่มีอีกแล้วมีความรู้แค่นี้เองแล้วก็ได้ชมว่าสองพระหายนี้เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีปัญญาสามารถมีความรู้เท่ากับอาจารย์ก็จึงตั้งให้เป็นคณาจารย์ที่จะสั่งสอนเราสิบต่อไปแต่สหายทั้งสองนี้ยังไม่พอใจโดยเห็นว่าลัทธิของอาจารย์สัญชัยนี้ไม่อาจจะยังโมฆะธรรมให้บังเกิดขึ้นได้ จำเดิมแต่นั่นไปปริภาชกทั้งสองคืออุปติสะปริภาชกกับโกริตะปริภาชกนี้ได้สนับข่าวสารว่ามีสมณะพราหมณ์หรือสมณะสมัญแพระมนาจาันท่านใดที่เป็นปาฏมีอยู่ในที่ใดก็ตามก็จะไปสู่ที่นั้นไปหาจกนกระทั่งพบแล้วกล่าวถามปัญหาแต่ปรากฏว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้น ไม่สามารถที่จะตอบปัญหาของสองสหายนี้ได้สองสหายนี้กลับจะต้องแก้ปัญหานั้นเองโดยทํานองนี้แหละสองสหานี้ได้เที่ยวไปสอบถามถึงรัฐีต่างๆถึงธรรมะต่างๆทั่วกระทั่งชมพูทวีทุกแห่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาพบนักปราชญ์ที่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมกกธรรมได้ ก็จึงพากันกลับมาอย่างสำนักของอาจารย์สนใจต่อไปและทั้งสองก็ทำกติกากันว่าเราทั้งสองนี้ถ้าผู้ใดได้ไดอมตะธรรมก่อนก็จงบอกแกอีกผู้หนึ่งคือว่าเมื่อได้ไดทราบได้รู้ถึงโมกตธรรมแล้วอย่าได้หนีกันไปเสียจงบอกเพื่อนกันอีกคนหนึ่ง ต่อมาในการครั้งหนึ่งพุปติสะปริพาชกได้ไปพบท่านพระอัจชิเถระซึ่งท่านพระอัจิเถระนี้เป็นพระภิกษุที่อยู่ในกลุ่มของปัญจาวัคคีย์คือเป็นน้องน้อยในกรําปันในปัญจาวัคคีย์นั่นก็คืออัญญากณธัญะธนว ป, ปะมหานามอัจชิท่านพระอิจินี้เป็น อยู่ในกลุ่มของปัญจวัคคีย์ที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งไปประกาศศาสนาเกิดมีความระลึกถึงพระพุทธองค์เขาจึงได้กลับมาเยี่ยมพระพุทธองค์ที่กรุงราชคกื้พักอยู่ที่เวลุวันมหาวิหารในเช้าวันหนึ่งก็ได้ออกบิณฑบาตที่กรุงราชคกื้อเองผู้ปฏิสัปริภาชกได้พบเขา เกิดความเลื่อมใสเห็นว่าพระสมณะลูกนี้เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยจะก้าวไปข้างหน้าก็ตามถอยหลังก็ตามเหลียวซ้ายแลขวาก็ตามห่มผ้าห่มผ่อนก็เรียบร้อยผิวพรรณก็เปล่งปลั่งอินทรีย์ก็ผ่องใสหน้าเลื่อมใสนิ่งนักก็จึงได้คิดว่าในบรรดาที่เขากล่าวกันว่าพระอรหันต์ที่มีในโลกนั้น พระมหาเถระองค์นี้จะต้องเป็นองค์หนึ่งในจำนวนพรนะอรหันต์นั้นเมื่อเกิดความเริ่มสายใจแล้วก็คิดใครจะถามดูแต่ก็มันนึกว่าการที่จะถามในเวลานี้เป็นเวลาที่ไม่สมควรเพราะท่านยังเที่ยวพิกษาาจารย์อยู่ก็จึงได้สะกดตามไปข้างหลังห่างๆจนกระทั่งท่านพระอัจชิเถระนี้ได้บินอาหารและบินธบาต พอควรแกอัตภาพแล้วก็จึงได้หลีกออกทางธรรมิธบัตรสแสวงหาสถานที่ที่จะนั่งฉันอาหารอุปติสะปริภาชกเดินตาแปลงห่างรู้อาการเช่นนั้นก็จึงได้เอาอาสนะของตนนั่นเองปูราชให้ท่านพระอาจชิเถรนิมนต์ให้ท่านานั่งแล้วจึงได้จัดหาน้ำชา่น้ำฉันมาถวาย รอจนกระทั่งท่านพระอัจิธิเทระนี้ฉันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงได้เอ่ยปากถามขึ้นว่าเอาอโสอินรีของท่านนั้นผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพรรณก็เปล่งปลั่งท่านนั้นบวชบันท่านนั้นบนรรพชาในสำนักของท่านผูน้ใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านกล่าวสอนเช่นไรท่านพระอิก็จึงได้ตอบว่า อาตมานั้นบวชในสำนักของพระภู้มีวภาคเจ้าทรงพระนามว่าโขดมที่ออกบวชจากสักยะตระกูลพระองค์นั้นเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้านั้นยังเป็นผู้ใหม่บวชได้ไม่นานไม่อาจจะแสดงทำแก่ท่านให้พิสดารได้จะขอแสดงต่อดโดยย่อเท่านั้น ท่านพระจิติเถระดำลกว่าธรรมดาอุปติธรรมดาปริภาชกนี้เป็นคนนอกศาสนาถ้ากล่าวทําไม่ดีนั้นอาจจะเป็นที่ดูหมิ่นได้เพราะฉะนั้นจะกล่าวทำอันลึกซึ้งดังนั้นท่านพระจิธิเถระก็จึงได้สแสดงได้กล่าวขึ้นมาว่าทำเทลายเหล่าใดมีแดนมีเหตุเป็นแดงเกิดพระธรรคตเจ้าทรงสแสดงถึงเหตุแห่งการเกิดของธรรมนั้น และแสดงเหตุถึงความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านะั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัชเชนี้อุปติสสะปริภาชกพอได้สดับพระคาถาสางสองบาทเบื้องต้นก็ได้บรรลุโสดาปติผลคือได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีจึงกล่าวกับท่านพระอิชิเทละว่าขอให้อาจารย์จงหยุดเพียงแค่นี้ เพราะเห็นว่าตนเองนั้นคิดดูแล้วว่าตนเองไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นได้แล้วจึงได้เรียนแก่ท่านว่าบัดนี้พระบรมครูของเรานะ่ะประทับอยู่ณที่ใดท่านพระอัชิก็ตอบว่าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารก็จึงได้กล่าวว่าถ่านั้นขอให้พระคุณเจ้านั้นจงไปก่อนก็ผมนั้น ยังมีสหายอยู่อีกคนหนึ่งที่ได้ทำสัญญากันไว้กระผมนั้นจะกลับไปเปลื้องสัญญาแก่สหายนั้นแล้วก็จะพาสหายนั้นไปสู่สุนัขพระบรมครูแล้วจึงได้ส่งท่านพระมหาเถระนั้นกลับไปก่อนตัวเองก็กลับไปอย่างปริพาชการามโกลิตาปริพาชกอยู่ที่ปริพาชการามนั้นเห็นอุปติสเดินมาแต่ไกล คิดว่าวันนี้หน้าตาสหายของเรานี่ผ่องใส ย, ยิ่งนะชะลอยคงจะได้ประสบหรือบรรลุอมตะธรรมเป็นแน่ขั้นเข้ามาใกล้ก็จึงได้ตายถามอุปติสสะก็จึงได้บอกเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดที่ตนเองได้ประสบมาแล้วก็จึงได้กล่าว แสดงคาถาที่ท่านพระมหาเถระคือท่านพระกัตสชิเถระนั้นแสดงให้ตนฟังพอจบพระคาถานั่นปรากฏว่าโกริตะก็ได้บรรลุโสดาปติพลเช่นเดียวกันทั้งสองนั้นอุปติสะโกริตานี้นก็จินตนามว่าพวะบรมบคูของเรานั้นประทับที่ไหนชวนกันพื่อไปแต่อุปติสะปริพาชกนี้เป็นคนที่เคารพในอาจารย์ ก็จึงได้บอกว่าเราควรที่จะไปลาอาจารย์สัญชัยเสีก่อนแล้วถ้าหากว่าบุญมีบุญของท่านอาจารย์มีเราก็อาจสามารถที่จะชวนอาจารย์ไปด้วยดังนั้นอุปติสะกับโกลิตะมานพสองอปริพาโชคสองสหายนั้นก็จึงได้ชวนกันไปหาท่านอาจารย์ไปกล่าวเล่าให้ฟังที่จะกลาบลาอาจารย์ไปแล้วก็ได้ชักชวนอาจารย์ที่จะให้ไปเฝ้าพระบรมสดาด อาจารย์สัญชัยก็บอกว่าให้มานกให้ทั้งสองสหายนั้นไปเทิดตนเองไม่สามารถไม่สามารถที่จะไปได้เพราะตนเองนั้นเป็นพลที่มีอายุมากแล้วเข้าสู่วัยชราการที่จะไปเป็นลูกศิษย์เขาคนอื่นเขาในการที่อายุอยู่ในวัยชรานะัมันเป็นการลำบากถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าจาระเขตในตุ่มที่อยู่ในตุ่มน้ำ การจะกลับตัวแต่ละครั้งะรงเป็นการลําบากมากและตนเองก็เคยเป็นอาจารย์ของบุคคลอื่นมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมไปปริพาชกทั้งสองสหายก็จึงได้กราบทูลว่าท่านอาจารย์ใหญ่ได้คิดอย่างนั้นก็บัดนี้นะ่ะประชาชนทั้งหลายก็มีมีถือดอกไม้ทูกเทียนไปสู่พระเวรวังนทั้งนั้นท่านและท่านอาจารย์จะทํำยังไง าอาจารย์ทุนชัยก็จึงได้กล่าวถามสองสหายว่าก็คนในโลกเหล่านี้เนะ่ะมีคนที่โง่มีคนโง่มากหรือคนฉลาดมากทั้งสองสหายก็จึงได้กล่าวตอบอาจารย์ว่าคนฉลาดมีน้อยคนโง่มีมากถ้าอาจารย์ทุนชัยก็จึงได้บอกว่าก็นั่นน่ะสิก็เพราะว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยเราจึงจะอยู่ได้ คนฉลาดฉลาดนั้นก็จะไปเฝ้าพระสมณะโคดมแต่คนโง่นั้นจะมาหาเราเมื่อสองสหายไม่สามารถที่จะชวนอาจารย์ได้แล้วก็จึงได้กราบลาอาจารย์แล้วก็ชักชวนบริวารของตนเองไปเฝ้าพระพุทธมัสสดาแต่บริวารของตนเองนั้นประมาณห้าร้อยทั้งคู่นั้นไปในระหว่างทางก็กลับใจสิครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งคืออีกสองร้อยห้าสิบนั้น กลับใจเข้ามาก็กลับปริพาชการามก็ได้ติดตามไปประมาณสองร้อยห้าสิบเท่านั้นสองสหายได้พับได้พาบริวารทั้งสอง้อยห้าสิบนั้นไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ก็จึงในขณะนั้นกำลังประทับนั่งแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัทอยู่ก็จึงได้กล่าวกับพิสุทธ์ทั้งหลายว่าสองสหายนั้นจักเป็นอัคคตาวกของพระองค์ เมื่อสองสหายได้เข้าไปเฝ้าพระบรุมศาสดานั้นพระองค์ก็ได้เทศนาโปรดพอจบพระธรรมเทศนาปรากฏว่าปริพาชกประมาณสองร้อยห้าสิบที่เป็นบริวารของสองสหายนั้นได้บรรลุอรหัตผลทั้งสิ้นเว้นอยู่แต่สองสหายเท่านั้ น, นเว้นอยู่แต่เพียงสองสหายเท่านั้นพระองค์ก็จึงได้เหยียดพระหัก ประธานอุปสมบทด้วยเอจิพิคุบุสมัตาให้เป็นพิสุบเดยกันทั้งสิ้นในข้อนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าทําไมหรือสองสหายนี่เป็นคนที่มีปัญญาดีคืออุปติสะปริภาชกนั้นพอได้ฟังธรรมะเพียงกึ่งคาถาคือสองบาททนั้นก็บรรลุส่วนโกริตะอุ ป, ปริปะปริภาชกนั้นได้ฟังหนึ่งคาถาคือสี่บาท ก็สามารถได้บรรลุได้แต่คั้นในครั้งนี้องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสแสดงพระธรรมมาเทศนาจบแล้วไม่ได้บรรลุอะไรส่วนบริวารที่เป็นบริวารได้ลไุได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดอันนี้ท่านเปรียบเทียบว่าก็เพราะว่าสาว ก, กบารมีนั้นไม่ใช่บารมีธรรมดาต้องกระทำได้ยากยิ่งเหมือนกับการเสด็จไปไหนแต่ละครั้งขององค์พระราชามาหากษัตรินั้น มิได้ทำได้ง่ายไม่เหมือนกับสามาัรชนนึกจะไปมาาเมื่อไรก็ไปได้ฉัน้นใดก็ดีคนที่มีปัญญานั้นเมื่อฟังแล้วยังไม่ยอมเชื่อง่ายๆต้องใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาให้แน่ซึ ก, ก่อนที่จะเชื่อไม่เหมือนกับคนที่มีปัญญาน้อยพอแนะนำนิดหน่อยก็เชื่อก็เป็นเหตุให้สำเร็จได้ง่ายสองสหายนี้ท่านได้มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้ว องคุณเถรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมครับกับทั้งสหพระมาจารีพิสุสงหลายได้เรียกนามเธอว่าเรียกอุปติสสะปริภาชกว่าสาลีบุตรก็เพราะเหตุว่าท่านนั้นมีโยมันนาบาอมารดาชื่อว่านางสาลีเรียกตามชื่อของโยมันดาว่าสาลีบุตรแปลว่าบุตรของนางสาลีส่วนโกริตะ ส่วนโกริตะนั้นมีมารดาชื่อว่านางโมคคีมีมารดาชื่อนางโมคคีจึงได้เรียกว่าโมคคลานะแปล ว, ว่าหนอนเนื้อเชื้อไขของนางโมคคลานางโมคคีนั่นเองจึงได้ชื่อใหม่สองสหายด้วยกันจำเดิมตั้งแต่อุปสมบทมาแล้วได้เจ็ดวัน โมคลานะหรือโกลิตะพิกุซึ่งอาตซึ่งสหปพ a รมจารีได้เรียกว่าโมคลานะนั้นได้ไปเจริญสมณธรรมที่บ้านกัลวานละมุตคามแต่ว่าถูกถีนมิทะครอบงำนั่งโงกง่วงอยู่พระพุทธองค์ทรงทราบเขาก็จึงได้เสด็จไปทรงบรรเทาความง่วง คือทรงแนะนำถึงอุบายที่จะแก้ความง่วงถึงแปดประการซึ่งอุบายแก้ความง่วงถึงแปดประการนี้ก็ได้มีแล้วในประวัติของอนุพุท ธ, ธเมื่อได้บรรเทาความง่วงให้แก่ท่านพระโมคคัลลานะแล้วก็จึงได้ประทานพุทธโอวาทในธาตุกรรมฐานภาวนาท่านพระโมคคัลท่านพระโมคคัลลา น, นั้น เมื่อได้ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์แล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลในวันนั้นเองในวันนั้นเองคือหลังจากที่ได้อุปสมบทมาแล้วเจ็ดวันส่วนอุปติสสะพิสุหรือที่สหธรรมิกเรียกว่าสาริบุตรได้ตามเสด็จพระพุทธองค์นั้นไปยังถ้ำสุกรขาตาถ้ำสุกรคาตา ซึ่งทำสุขลขาถาตานีอยู่ที่เชิงเขาพิจกุตอยู่ที่เชิงเขาพิจกุในขณะนั้นทีฆะนคะอคิเวสนาโคตซึ่งเป็นหลานของท่านพระเถระเองคือทองพระสาลีบุตรเองได้เข้ามอเฝ้าพระบรม ศ, ศาสดาทูล ถ, ถึงทิศของตนเอง องคุเดชพรสั ม, มาสัมพุทธเจา้าฮะซึ่งก็ได้ทําลายทิฏฐิของความเห็นของทีฆาในขะเสียบอกท่านไม่ไม่พึงที่จะกระทำอย่างนั้นซึ่งทีฆาณกะอาชีเวสนาโคตได้มีทิฏฐิว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบข้าพเจา้ขาข้าพเจ้าชอบสิ่งนั้นทั้งหมดและสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่ชอบ ข้าพเจ้าก็ไม่ชอบสิ่งนั้นอสิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบข้าพเจ้าชอบสิ่งนั้นทั้งหมดพระองค์ตรัสว่าเพราะฉะนั้นทหากว่าเธอถือเช่นนี้คือทิฏฐิของคนที่ถือนั้นมีอยู่ในการสามประเภทคือประการหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบข้าพเจ้าก็ชอบสิ่งนั้นทั้งหมดสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่ชอบข้าพเจ้าก็ไม่ชอบสิ่งนั้นทั้งหมดและก็สิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบข้าพเจ้าก็ชอบสิ่งนั้นสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งนั้นค่อนข้างจะไปะตกไปในในด้านของราคะแต่ในข้อที่สองทิศทีข้อที่สองนั้นตกไปในด้านของโทสะแต่ในข้อที่สามนั้นก็ตกไปทั้งในด้านบางอย่างก็ตกไปในด้านของราคะและบางอย่างก็ตกไปในด้านของโทสะเพราะฉะนั้นทิศที่ทั้งสามประการนี้เท่าพูนใดถือเขาแล้วก็จะมีการที่เรียวกว่ามีความเห็นผิดกัน มีความเห็นไม่ตรงกันเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันผิด ก, กันแล้วก็จะมีการเถียงกันขึ้นเมื่อมีการเถียงกันขึ้นแล้วก็ต้องมีการพูดกันมากเมื่อมีการพูดกันมากแล้วก็ทำให้จิตใจไม่เป็นสมาธิเกิดความพุ่งซ่าเมื่อจิตใจไม่เป็นสมาธิก็เป็นอันตรายแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเธอควรจะละทิฏฐิสามประการนี้เสียแล้วพระองค์ก็ได้แสดงถึง อ่าพระธรรมเทศนาถึงเรื่องเวทนาปริคหสุตรคือการกําหนดเทวเวทนาในเวทนาปริฆหสูตรนี้ทวายโดยย่อแล้วก็มีอยู่สามประการก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาทวาในส่วนปางกลางแล้วก็มีห้าคือสุขเวทนาทุกขเวทนาโสมนสเวทนาโทมนสเวทนาและอุเบกขาเวทนา แต่เท่าจะว่าโดยพิสดารและเวทนานีมีหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแปดประการาในขณะที่จบพัทธธรรมเทศนานันปรากฏว่าทีฆนขะอคิเวสนโคดผู้เป็นปริภาชคุณ้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จึงได้แสดงตนเป็นอุบาสก ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นธนณที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วก็หลีกไปส่วนท่านภาษาลิบุตรนั้นได้ถวายงานพัดหยุดเบื้องพระปิสดางขององค์ุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ทีฆะนคะอคิเวสนโครไปพลางๆด้วยก็ได้ทรงจิตนี้ไปตามกระแสะแห่งพระธรรมเทศนา ก็ปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระรหันซึ่งในวันนั้นเป็นวันหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทมาแล้วเป็นเวลาสิบห้าวันนะเป็นเวลาสิบห้าวันเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าท่านภาษาริบุตรนี้อ่าได้ฉันข้าวที่เขาคดให้บุคคลอื่นก็คือได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงสแสดงแก่บุคคลอื่น แต่ตนเองพลอยฟังดูด้วยก็จึงได้บรรลุพระรหัสผลไปในวันนั้นเองท่านกล่าวว่าเป็นวันเพนแห่งเดือนมาคะคือเดือนสามนะซึ่งถือว่าเป็นวันจารตุรงคสนิบาตพระพุทธองค์ก็จึงได้ทรงแสดงโอวาทปาิโมกและประทานตำแหน่งอักษาวกฝ่ายขวาแด่ท่านภาษาริบุตรเถระ ส่วนฝ่ายซ้ายนั้นก็ได้ประธานให้แก่พระโมคคัลลานะานนาเทระณท้ำกลางอารหันตขีณาศพทั้งโปวงนั่นเองเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงแท่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพจเจริญสุขสวัสดี ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายระดับนี้อันดับนี้ก็มาว่ากันถึงเรื่องปฐมโพธิกถาต่อในวันนี้ก็ถึงปริเชตที่สิบเจ็ดว่าด้วยกบิละวัตถุคมภะปริวัติซึ่งหมายความว่าตอนที่ว่าด้วยการเสด็จปรุงกบิลพั์ ได้แก่ตอนที่พระพุทธองค์ได้เสด็จโปรดพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัท ส, สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคลึกนั้นพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชผู้เป็นพุทธบิดาได้สัดับข่าวว่าพระราชโอรสได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แล้วก็เที่ยวประกาศศา ส, าสานาแก่ประชาชนทั่วไปนับบัดนี้ประทับอยู่ที่พระเวฬุวันมหาวิหารพระองค์ทรงปรารถนาที่จะทัศนาพระพุทธองค์ซึ่งได้จากพระอนาครนั้นเป็นเวลา6กปีกว่าแล้วจึงได้ตรัสใช้ให้อำมาตพร้อมด้วยบริวารพันหนึ่งไปเชิญเสด็จ แต่ว่าอมตและบริวาร น, นั้นเมื่อมาพบพระพุทธองค์ที่พระเวฬุวันมหาวิหารได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็บรรลุกอรหรันอรหัตผลแล้วก็ทูลขอบวชเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ที่มีความขวนขวายน้อยไม่ได้กราบทูลองค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระดํารัสของพระพุทธบิดา พระเจ้าสุโธธนะนั้นเห็นว่าอมตะและบริวารทั้งหลายนั้นหายไปนานก็จึงได้ส่งคนไปใหม่โดยทํานองนี้แหละท่านกล่าวไว้ว่าส่งไปถึงเก้าครั้งสิ้นคนไปจำนวน 9, 000, เก้าพันสิ้นสิ้นคนไปจานวนเก้าพันกว่า สิ่งคนไปจำนวนเก้าพันกว่าก็ไม่ได้รับข่าวหรือว่าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จมาเพราะว่าอำมาตย์ทั้งหลายพร้อมโดยบริวาร น, นั้นก็ประพฤติโดยนายเดียวกันคือเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาได้บรุษอรหรันแล้วก็เป็นผู้ที่มีความขนน้อยดังนั้นในครั้งสุดท้ายนี้ พระเจ้าสุดโทธนะก็จึงได้ชายกาลุทายีอมาตซึ่งกาลุทายีอมาตเนี่ยเป็นอมาตที่สําคัญเป็นสหชาติกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเกิดในวันเดียวกันอายุเท่ากันแล้วก็เป็นอมาตที่เป็นที่โปรดปรานในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทะอยู่จึงได้สรงกาลุทายีอมาตนี้พร้อมด้วยบริวารอีกหนึ่งพัน ไปกราบทูลเชิญสเสด็จองค์สุเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้ากลับกรุงมกบิลพัทเพื่อมาโปรดพุทธบิดาการุทายีอมาตนี้ก็จึงได้กราบทูลลาขออนุญาตบวช ด, ด้วยองค์สมเด็จ พ, พระเจ้าสุโธทนะก็ทรงอนุญาตในการที่จะบวชสมบทรณทรงอนุญาตแต่ขอให้ทูลเสด็จพระพุทธองค์นั้นกลับกรุ่มกบิลพัทด้วย กาลุทาเยียมาจพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันนั้นเดินทางมาจนถึงกรุงราชคลึ้ก็ได้เข้าไปที่ยังพระเวฬุวันมหาวิหารได้ฟังเทศจากพระพุทธองค์แล้วพอจบก็ได้บรรลุอรหัตด้วยกันหมดทั้งสิ้นเสร็จ แ, แล้วก็จึงได้ทูลขออุบบนประชาอุปสมบทพระองค์ก็ประทานให้โดยเอหิตพิกุเวสมัมปทา เมื่อบวชแล้วได้ประมาณเจ็ดวันท่านพระกาลุทายีเถระผู้นี้เห็นว่าเป็นการสมควรซึ่งระยะกาณนั้นเป็นระยะที่สิ้นอเป็นระยะที่อสิ้นอยังอยู่ในระยะฤดูหนาวเป็นระยะที่ว่าการเก็บเกี่ยวของชาวนานั้นก็หมดแล้วผืนแผ่นดินนั้นก็ยังไม่แข็งกระด้างยังอ่อนนุ่ม ก็จึงได้เข้าไปกล่าวคาถาสระเสริญเรื่องหนทางจากกรุงร า, าชคลีถึงกรุงกบิลพัทซึ่งมีประมาณหนทางประมาณหกสิบยอดพัลลนาถึงแมกไม้และนกธรรมชาติต่างๆในหนทางว่าเป็นสถานที่น่ารื่นลมน่าเสด็จพุทธดำเนินแล้วก็จึงได้ทูลเชิญพระพุทธองค์นั้นเสด็จกรุงกบิลพั์เพื่อโปรดพุทธบิดา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ทรงรับทรงรับแล้วก็ให้บอกกล่าวแก่พิสุผู้เป็นบริวารประมาณสองสมื่นลูกที่จ ะ, สะเสด็จไปกรุงกระบิลพัฒน์ท่านกาลุทายีเนี่ยเมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วก็จึงได้นำเรื่องนี้ไปถวาย นำเรื่องนี้ไปทูลไปแจ้งข่าวแก่พระเจ้าสุโธทนะว่าองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะใช้เวลาประมาณหกสิบวันคือจะเสด็จวันหนึ่งประมาณหนึ่งโยชนเพื่อที่จะได้โปรดประชาชนในระหว่างทางไปด้วยดังนั้นพระเจ้าสุโธทนะก็จึงตรัสให้อําร์ราชบริพารทั้งหลายสร้างที่ประทับ พักระหว่างกลางออระหว่างกลางทางโดยสินระยะโยชหนึ่งแห่งหนึ่งแต่ละโยต์ไกลกันหนึ่งโยต์เพื่อให้เป็นที่เสด็จประทับของพระพุทธองค์จนกว่าจะถึงกรุงกบิลพัทเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จออกจากกรุงราชคลึกแล้วได้เสด็จไปวันละหนึ่งโยต์ประทับอยู่ ท่านพระกาลุกทายีนี้ก็ได้เข้านําเรื่องนี้ไปแจ้งแก่พระเจ้าสุธโททนะว่าบัตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับณสถานที่นั้นพระเจ้าสุธโททนะทรงมีความเลื่อมใสเป็นอย่างมากได้ถวายอาหารพิธ บ, บาติอันประณีแก่พระกาลุกทายีให้ฉันเสร็จใน พระราชนิเวศแล้วก็จึงได้ให้นําอาหารนั้นมาถวายองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจําทุกวันจนกระทั่งที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้เสด็จถึงกรุงกบิลพั์ก็จึงได้เข้าไปประทับ ท, ที่นิโครธาลามซึ่งพระประยุน์ทียะทั้งหลายได้สร้างสถานที่รับเสด็จไว้ <c oughs> องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จโดยหนทางประมาณสองเดืนอนคือหกสิบวันจึงถึงที่กรุงกบิลพัทประทับอยู่ที่นิคโครธาลามพระเจ้าสุดโทธนะพร้อมด้วยพระยุรย ญ, ญ, ญาติทั้งหลายก็มาเฝ้ารับเสด็จแต่พร ะ, ระยุรย ญ, ญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่อายุมากกว่านั้นไม่ยอมที่จะยกพระยกหัดนมัสการ โดยถือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเด็กคราวนอ้องคราวลูกคราวหลานเป็นแต่เพียงให้เจ้าชายต่างๆที่มีอายุน้อยกว่านมัสการพระบรมศ า, าสดาทรงเห็นเช่นนั้นก็แล้วก็จึงได้ทรงทรมานเหล่าสากยกษัตย์ทั้งหลาย จนกระทั่งให้อ่อนนอ้อมโดยที่พระองค์นั้นทรงสแสดงอิทธิปฏิหารสิสเดจเดินจงกรมณเนะบื้องบนแห่งพระเสียรของบรรดาศักยะกษัตริย์ทั้งหลายโดยให้ทุลอ่อนละอองทุลีภระบาทนั้นตกละต้องลงที่พระเสียรของพวกศักยะกษกษัตริย์ พวกสักยักษ์สัตว์เห็น อ, ภ, น อ, นอภินิหารเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ยอมขึ้นยกมือนมัสการโดยอาการที่ชื่นชมโพนักลำดับนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเพื่อเป็นการทำลายทิฏฐ ของพวกพวกศักยะเหล่านั้นก็ปรากฏว่าฝนโปคลพัดได้ตกต้องมาในที่ประชุมชนนั้นเป็นที่น่ามหัศจรรย์ฝ น, นโปคลพันี้ท่านกล่าวว่าเป็นฝนเมล็ดสีแดงที่ได้ชื่อว่าฝนโปคลพัน์นี้โปคลพัดนี้ก็แปลว่าฝนที่ตกลงที่ใบบัว คือฝนนี้ถ้าหากผู้ใดต้องการจะให้เปียกก็เปียกแต่ถ้าผู้ใดไม่ประสงค์จะให้เปียกโดย ก, โดยกลัวว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของตนที่สวมมานั้นจะเปียกปอนจะเสียหายไม่ปรารถนาให้เปียกฝนอันนี้เมื่อตกไปแล้วก็จะลื่นไปโดยไม่เปียกเหมือนกับน้ําหรือว่าฝนที่ตกลงในใบบอกรอบใบบัวเพราะฉะนั้นฝนนี้จึงได้ชื่อว่าฝนโปกขลพัดเป็นฝนสีแดง ภิกษุทั้งหลายไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเห็นฝนชนิดนี้ขึ้นแล้วก็จึงได้เกิดอนะเกิดความพิศวงนะเกิดความพิศวงก็จึงได้กล่าวขานกันว่าเป็นที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงโปรดว่าก็ทรงตรัสว่าการที่ฝนโปรคลพัดนั้นตกต้องในขณะที่องค์ที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่อัศจรรย์เลย แต่ในอดีตการฝนโปกระพัตนี้ตกต้องในครั้งที่ทศองค์นั้นเป็นพระโพธิสัตว์นั่นสินาอาศัศจรนท์พิสุทั้งหลายต้องการจะรู้เนื้อความนี้จึงได้ทูลถามว่าตกในครั้งไหนดังนั้นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็จึงได้แสดงเวสันตระชาดกเวสันตระาชาดกโปรดพระประยูรญาตและพิสุสง์ทั้งหลายในครั้งนั้น ว่าในครั้งนั้นตอนที่ประชุมผู้หมู่พญาตินั้นฝนโปรคลพัดนี้ก็เคยตกมาแล้วในหมู่พญาติเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระประยูรยา่าทั้งหมดก็จึงได้ทูลลากลับแต่ไม่ได้มีพระประยูรยา่าพระองค์ใดเลยแม้กระทั่งพระเจ้าสุโธธนะจะอาราธนาพระองค์นั้นให้เสวยพระกยาหารในวันลุงขึ้น ที่ม่ีมนเช่นนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าสุทโธนะมีความคิดเห็นว่าเมื่อลูกชายของตัวเองจากไปนานเมื่อกลับมาบ้านก็จะต้องไปฉันอาหารที่บ้านหรือเสวยอาหารที่บ้านจะไปจะไ ป, ะไปอ่าไปบริโภคอาหารที่ไหนก็นึกเช่นนั้นก็คิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, เจ้านั้นเป็นลูกชายเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็คงจะเสวยพระกรยาหารในพระราชวังนั่นเองก็จึงไม่ได้ทูลรัฐนา ดังนั้นในเช้าวันลุงขึ้นองค์ทุนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ดำริว่าพระพุทธเจ้าในอนดีตนั้นเมื่อมาถึงโปรดพระพุทธบิดาแล้วทรงไปสยพระกยาหารในพระราชวังหรือว่านธิอาหรือว่าบินทบติตามลำดับตรอกพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงอตีตังสยานก็พบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้น ทรงบินฑบาตลำดับตรอกท้งนั้นส้าหากว่าไม่รับอาราธนาหรือทุนนิมนต์ดังนั้นในเช้า ว, วันลุ่งคืนนั่นเองพระองค์พร้อมด้วยพิสูุสงฆ์สองหมื่นลูกก็จึงได้เสด็จโคโจรบินฑบาตตามลำดับตรอกคือทุกบ้านตามพุทธประเพณีนับว่ายังความโกราหหนให้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองเป็นอันมากเหตุใดหรือว่าความโกราหนนั้นจึงเกิดขึ้น ก็เพราะเหตุที่ว่าประชาชนนั้นเกิดความเออเคลอขึ้นว่าลูกของพระยามหากษัตริย์นั้นถือบาดออกขอทานชาวบ้านซึ่งเป็นการที่ผิดพิสัยความโกราหนเช่นนี้แหละจึงได้เกิดมีแก่ประชาชนชาวกรุงกบิลพัทก็ไปอันว่าจบปริเฉดที่สิบเจว่าด้วยกปิละกปิละวัตถุขมนามนวัต ณปริวัติคือการเสด็จกลับกรุงกบิลพัทในปริเฉตที่สิบแปดนั้นว่าด้วยพิมพิลาละอมพิมพิลาพิมพาพิลาปริวัติหมายความหมายความถึงว่าการลำพันของพระนางพิมพาได้แก่ตอนที่พระนางพิมพาได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาต ตามตรอกตามซอยต่างๆแล้วในกรุงก บ, บิลพัทนั้นแล้วก็เสียพระไทยที่พระพุทธองค์ไม่เอาประพฤติไม่เหมาะกับฐานะทําให้เสื่อมเสียสกุลของกษัตริย์และน้อยพระไัยว่าตนเองัมีบุญน้อยจึงไม่ได้เป็นที่สเสน่หาของพระพุทธองค์ยิ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปในพระราชวังแล้วไม่ได้เสด็จไปโปรดถึงที่ประทับก็ยิ่งรู้สึกลันทศเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงลำพันธ์มาด้วยความโศกเป็นอันมากในขณะที่องค์สุเดลพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าพร้อมด้วยพิพิสุสงฆ์องหมื่นลูกกำลังโครจรบินทบาทนั่นเองประชาชนทั้งหลายก็เกิดโกลาหลกันเป็นอันมากพระนางพิมพาราชเทวีนั้นผู้เป็นบรรดาแห่งลาหุนได้สดับเสียงโกลาหลของประชาชนเช่นนี้ก็จึงได้ตรัสถามนางกานัน ว่าเป็นเพราะเหตุอันใดเพราะว่าประชาชนนั้นได้อึดออึ้งไปหมดพระนางกำนันจึงได้ตอบว่าพระสวามีของพระนางนั้นกําลังทร ง, งบาดเสด็จออกพิขาจานประชาชนทั้งหลายก็จึงได้โกลาหนต่างก็จับกลุ่มกันชมพระโฉมของพระพุทธองค์บ้างบางก็ถวายอาหารพิธบาทบ้าง บางก็พูดวิจาร ก, กันไปต่างๆบ้างพระนางพิมพาก็จึงได้ชวนพระลาหุนกุมานั้นไปยังสีหบัญชรคืนนตักก็จึงได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมศาสดานั้นรุ่งเรืองปริดุสมีหกประการจรึงได้ตรัสสเสริญด้วยนรสีหค า, าถาแปกคาถาดดวยกัน แล้วก็จึงได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลต่อพระเจ้าสุโธธนะให้ทรงทราบพระเจ้าสุโธธนะนั้นเมื่อทรงสดับพอแล้วก็ทรงสังเวชส ด, ดพระไทยอย่างยิ่งเลยรีบเสด็จลงจากพระราชนิเวศโดยด่วนไปประทับยืนอยู่ในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธองค์แล้วก็ ต, ตรัส ต, ต, ต่อว่าพระองค์ว่าถามว่าตรัส่อว่าพระองค์ว่าทาไมพระองค์จึงได้ทาเช่นนี้ ทำให้หม่อมฉันขายหน้าเช่นนี้องค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าก็จึงได้ตรัสตอบว่าตถาคตตามทําตามวงของตถาคตทําตามวงพระเจ้าสุโทโธทนะก็ยังไม่สราบก็ถามก็จึงได้ตรัสถูนถามพระองค์ต่อไปว่าบิดามันดาหรือปู่ย่าตายายของเรานั้นนะ่ะเคยขอทานอย่างนี้หรือพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสตอบว่านั่นเป็นวงของตาแต่ของ ของมหาบพิษแต่ที่การเที่ยวบิธบาสนี้เป็นยมเป็นวงของอาตมาคือเป็นวงของพุท ธ, ธะเนีเป็นวงของพุท ธ, ธะพระเจ้าสุโธทนะก็จึงได้กล่าวอตราสตอไปว่าการที่พระองค์มาเที่ยวบิธบาเนี่ยนึกว่าอโยมนั้นไม่สามารถที่จะจัดอาหารพระต า, าหารนั้นน่ะ สำหรับพิสูจประมาณเท่านี้ได้หรือพระพุทธองค์ก็จิงได้ตอบว่าการเที่ยวบินธบาตเนี่ยมันเป็นวัดเป็นจาาาจราีตามวงประเพณีของตถาคตคือพุทธวงนั่นเองก็ขณะที่เสด็จประทับยืน อ, อยู่ในระหว่างวิถีนั่นเองก็พระองค์ก็จิงได้ตรัสเทศนาโปรดพระบิดาโดยสารคาถาว่าอุตติเทนปะปมชยยะเป็นต้น ซึ่งมีความว่าบุคคลใดไม่ประมาทในบินทบาตอันบุคคลพึงลุกขึ้นยืนลับมีอุตสาหะประพฤติสุจริต ธ, ธรรมบุคคลนั้นพึงเป็นอยู่สาลานทั้งในโลกนี้และโลกหนาปรากฏว่าพอจบพระคาถานั้นพระบรมโพธิสัต์พระบรมกษัตริย์ก็ได้บรรลุโสดาปติผลแล้วก็จึงได้ทรงรับบาตของพระพุทธองค์แล้วทูลนรัตนา พระองค์พร้อมโดยพิสุสง์ขึ้นสู่ประสาทอังคาดโดยโภชนาหารอันประนิกองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาถึงฐานนั้นก็เสด็จกลับอย่างนิโคารธาลามนิโคารธาลามคือที่ประทับนั้นขั้นในวันุ่วขึ้น พระองค์ก็ได้เสด็จพุทธดำเนินไปรับพัะตาหารมิทธบาทในพระราชนิเวศเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วก็จึงได้ตรัสเทศนาปโปรดพระนางมหาประชาบดีด้วยสารคาถาว่าธรรมันจะเลสุจลิตังซึ่งพระนางประชาบดีนี้เป็นพระแม่นะซึ่งได้เลี้ยงดูพระองค์มา พระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาโปรดพระแม่นาณนั้นด้วยว่าทำมันเจเลยสุจริตตังซึ่งมีอธิความว่าบุคคลใดประพฤติสุจริตธรรมไม่ประกอบด้วยทุจริตบุคคลนั้นย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกนั้นพอจบพระธรรมเทศนาก็ปรากฏว่าพระมหาประชาบดีราชะเทวีนั้นก็ได้บรรลุโสดาปติพนและสมเด็จ พระเจ้าสุโธธนะมหาราชทรงนั่งสะดับฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยเมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระสกิทาคามีผลในวันที่สามพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าก็ได้สเสด็จไปเสวยโภชนาหารในพระราชนิเวศพร้อมด้วยพิสุสงฆ์ทั้งปวงอีก ขณะเวลาเสวยอยู่นั้นพระเจ้าสุโทธทนะก็จึงได้ตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเมื่อพระองค์กระทำทุกขลกริยานั้นมีเทพ ย, ยดาองค์หนึ่งมาบอกหม่อมฉันว่าพระองค์นั้นไม่ได้เสวยพระกยาหารบัดนี้ได้ทำลายพระชนชีพเสร็จแล้วข้าพระองค์ไม่เชื่อ ข้าพระองค์ไม่เชื่อเทวดานั้นแล้วก็ได้ถามเทวดานั้นว่าแล้วบัดนี้พระราชบุตรของเรานั้นน่ะได้สําเร็จพระสัพพัญยุติญาณหรื อ, อยังเทวดานั้นตอบว่าอย่างดังนั้นขับพระองค์ไม่เชื่อจึงได้ขับเทวดาไปเสียองค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบอพิษ การที่พระมหาบาพิษไม่เชื่อในการนี้นั่นน่ะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในอดีตการนั้นเมื่อตถาคตเป็นโพธิสัตว์อาจารย์ที่สาปามโมกได้นําเอากระดูกแพะแสดงแก่พระองค์และบอกว่านี่เป็นกระดูกของบุตรของท่านที่ตายไปแล้วพระองค์ก็ยังไม่เชื่อในอดีตการพระองค์ก็ยังไม่เชื่อดังนั้น ขั้นเสร็จภติกิจแล้วพระองค์ก็จึงได้เ ท, เทศนาเรื่องมหาธรรมปาละชานทุกพอจบรธรรมเทศนาปรากฏว่าพระเจ้าสุโทธทนะนั้นได้บรรลุเป็นพระอนาคามีพ้นได้บรรลุเป็นพระอนาคามีพ้นสมเด็จพระบรมศาสดานั้น ได้เสด็จเข้ามาสเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศนั้นเป็นเวลาถึงสามวันแล้วแต่พระนางยาโสธราราชเทวีนั้นหาได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ไม่พระเจ้าสุโทธทนะก็จึงได้ดตรัสให้นางสนมผู้หนึ่งไปเชิญเสด็จแต่พระนางหามาไม่แล้วจึงให้กลับมากราบทูลในทราบ ก็ราเหตุที่วันนางพิมพานนั้นทรงน้อยพระทยัยว่าสามีของตนเองนั้นได้จากพระสวามีของตนเองได้จากมานานแต่เมื่อกลับมาแล้วจะไม่กลับมาเยี่ยมถึงในห้องก็ให้รู้ไปก็จึงไม่ยอมกลับมาไม่ยอมไม่ยอมกลับมาก็จึงได้บอกกับนางกำนันมานางกำนันนั้นก็กลับมาทูลเรื่องนี้ให้แก่พระเจ้าสุโธนัสสับ สมเด็จพระพุทธบิดา น, นั้นก็จึงได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จเยือนพระพิมพาเทวีโดยพระองค์ได้กล่าวว่าจะหาบุคคลใดที่จะซื่อสัตย์เหมือนกับนางพิมพานี้ไม่มีอีกแล้วในขณะที่พระองค์นั้นได้เสด็จออกบรรพชานั้นได้ทราบว่าพระองค์นั้น ตัดอาหารสวยแต่เพียงมือเดียวพิมพ์พานนี้ก็สวยอาหารเพียงมือเดียวได้ทราบว่าพระองค์นั้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดพิมพานนี้ก็ได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วก็เว้นจากเครื่องสําอางตกแต่งโดยประการทั้งปวงและได้ทราบว่าพระองค์นั้นทรงบรรทมบนพืชไม่บรรทมบนพื้ที่ผู พิมพานี้ก็บรรทมบนพระี่ภูดังนั้นก็ขอให้พระองค์นั้นสเสด็จเยือนพระพิมพาเทวีพระองค์ก็ทรงรับพร้อมด้วยอักส า, าวกทั้งสองและพระพุทธสบิดานั้นก็จึงได้สเสด็จสู่ห้องพระพิมพาเทวีพระนางยโสธร า, สาหรือพิมพาราชกัญญานั้น เมื่อทรงทราบพระพุทธองค์เสด็จก็จึงได้จูงพระราวหุนกุมารนั้นเสด็จถึงขัตตวรรพอเห็นพระพักของพระพุทธองค์นั้นก็น่าพระเนตรไหลองค์ตุเดศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสแก่อักสาวกทั้งสองว่าถ้าหาพระพิมพ์พานั้นจะต้องกายพระองค์นั้นก็ขอแย่ให้ห้ามด้วยความกรุณาของพระพิมพ์พานั้นด้วยพระองค์ทรงมงเห็นว่าถ้าพระพิมพ์พานี้ ได้ถูกห้ามเสียใจของพิมพานนี้ก็จะออกแตกออกไปถึงแก่การมรณะเพราะฉะนั้นเมื่อพระนางพิมพานั้นเห็นประสบพระพักของพระองค์เข้าน้าพระเนกก็หลั่งไหลนองพระพักจึงคลานเข้าไปซบพระเศียที่หลังพระบาทกอดข้อพระบาทแล้วก็ทรงการแสงเกล็กดลิงไปมาพันาต่างๆแม้แต่ พระพุทธบิดานั้นก็ตัดสนเสริญพระนางพิมพา น, นั้นมีประการต่างๆว่าแม้แต่พวกขัตติยะระยุน ญ, ญาติทั้งหลายจะรับไปบำเรียงเลี้ยงดูก็ไม่ปรารถนาตั้งใจที่จะสวามิภักดิ์ซื่อสัตย์เสน่หาแต่เฉพาะพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นพระบรมศาสดา จ, จึงตรัสว่ามหาบพิษยะโสทลานี้จะมีที่จะมีจิตเสน่หาสวามิภักดิ์ถาคตในการบัดนี้ก็หามีได้ แม้ในอดีตการนั้นได้บังเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เล้ชานก็มีความยินดีในถ้อยคำแห่งก็มิได้มีความยินดีในถ้อยคำแห่งพระเจ้าพราณาศีซึ่งมาวิงวอลและประเล่าประโลมต่างๆได้ถวายชีวิตเป็นทานแกตถาคตมาแล้วหน้ามหัศจรรย์ยิ่งนะชนทั้งปวงก็จึงได้ทูลอาราธนาให้ตรัสถึงอดีตภพพระองค์ก็จึงในเทสนาจันทกินนอนชาดก โดยพิสดารเพื่อละความเศร้าโศกของพระนางพิมพาราชเทวีเสียพระนางยาโสธราราชเทวีนั้นได้ทัศนาพระพักของพระพุทธองค์ไปพลางสดับพระธรรมเทศนาที่ปรัดด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะไปพลางยังภาษาทะความเลื่อมใสและปีติความอิกใจให้เกิดขึ้นในกม ล, ลสันดาน ว่าอาตมานี้ได้ประสาชชีวิตแก่พระสถาคตให้คืนคงในอดีตภพก็ระ ง, งับเสียได้ซึ่งความเศร้าโศกด้วยปรีปรปติและปราโมทบรรลุพระโสดาปัิผลเป็นภระิยะบุคคลในพุทธศาสนาในขณะนั้นเองเอาละท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่าน ขอจเจริญพร